บัลัยอลลอฮ์ุราะห์มานุราะห์อิม a l h a m d u l i a r a l m i n وصلullahولا نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى س ر ا ت المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์ผู้ประสบกับบรรดามุสลิมมุสลิมะนักศึกษาผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับ ทีนี้บางส่วนก็ขึ้นไปเรียนอันกุรานต่อข้างบนนะครับชั้นสองก็ไม่เป็นไรครับนะเราก็ฟังบรรยายตับซีดอันกุรานนะครับคือเราได้เรียนอันกุรานได้เรียนกิรออามาแล้วเรียนอ่านแล้วแต่เรียนอ่านอย่างเดียวเราก็ต้องเข้าใจความหมายด้วยพอการรู้ความหมาย เข้าใจความหมายของอันกุรานแล้วก็นำสู่การปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สาคัญแล้วก็เป็นเป้าหมายของการส่งศาสนทูดมาเผยแพร่ศาสนานะครับถ้าเราอ่าน อ, าอันกุรานนั้นาถามว่าเราได้ผลบุญไหมได้ผลบุญครับ แม้ว่าเราไม่รู้ความหมายเราก็ได้ผลบุญนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายรู้ความหมายแล้วก็นำไปปฏิบัตินี่โอ้มันจะเพิ่มพุญมากมายนะครับเพราะว่านาบีสโลโลวะเลวะสลมท่านในปฏิวัติความเชื่อผมขอใช้สำนวนนี้นะครับปฏิวัติความเชื่อของคนมักกะ ในยุคนั้นนะด้วยกับอันกุรอานะด้วยการเอาอันกุรอานไปสอนนะครับท่านนาบีได้รับคำสั่งให้เอาเอัากุรอานไปสอนคนนบีก็เอากุรอานไปสอนคนแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงความเชื่อเปลี่ยนแปลงการพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทำให้คนในนครมะกาทั้งหมดเนี่ยไปเป็นอิสลามแล้วก็เอาอิสลามนำชีวิตทั้งหมดเลยนะแม้ว่าในช่วงแรกของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตลานเวเลวะสลามนั้นกระหมาอความาในช่วง13ปีแรกนี่อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จ เ, เท่าที่ควร แต่หลังจากนาบีได้อพยพจากมักกะไปมา ด, ดีนะนะครับไปเผยแพร่ที่มา ด, ดีนะอีกสิกว่าปีแล้วนบีก็ย้อนกลับมามักกะอ่ะนานย้อนกลับมามักกะแล้วก็เปิดนครมักกะทำให้คนทั้งหมดในนครมักกะเป็นอิสลามเป็นมุสลิมนี่คือ สิ่งที่ท่านนาบีสโลโลุลต่านอะเลวะซัลลัมได้ทําประสบความสําเร็จโดยเอาอันกุรอานน่ะไปสอนคนนะครับหน้าเอาอัลฮัมดุลิลละเพราะงั้นเราก็ต้องทําหน้าที่ทําหน้าที่ในการสอนให้คนอ่านให้ถูกสอนให้คนเข้าใจความหมายของอันกุรอานนี่เหมือนกับเอาซอฮาบะน้าที่เรียนรู้อันกุรอาน จากท่านอนาับดุลเลาะห์วะไลวะสลัมอะสฮะบะอ่านอ่านให้คล่องอ่านให้ถูกนะแล้วก็ท่องจําเพราะอ่านคล่องแล้วท่องให้จําด้วยนะท่องให้จํานี่ผมยกตัวอย่างเช่นสฮาบะเช่นอิบนออับบาสนะอิบนออับบาสนี่จําอันกุรอานนะทั้งเล่มนะครับตั้งแต่อายุ12บขวบ เห็นเอแล้วก็ท่านอิบนวอับบาสนี่อ่าเป็นคนอ LEM ในในเรื่องของการอธิบายอันกุรานนะครับอิบนวอับบาสนี่เติบโตขึ้นมาเนี่ยรู้เรื่องอันกุรานอย่างดีแล้วก็อ่านกุรานอย่างดีแล้วก็เข้าใจความหมายของอันกุรานเพราะเรียนรู้จักกับท่านนับดุลลอะวะเวะสลัมแล้วท่านก็ท่องจำอย่างที่บอกไปแล้ว อายุ12ปีท่องจําอันกุรานทั้งเล่ม น, นะนะนี่แล้วก็พออ่านข้องแล้วท่องให้จําแล้วก็ศึกษาความหมายกตณนะีแล้วก็นําสู่การปฏิบัติพออิบนะบาสาเป็นวัยหนุ่มเติบโตมาเป็นวัยหนุ่มแล้วก็เป็นวัยในเรื่องของการกลางคน อิบนะบัสเป็นคนอาเลมมากอาเลมอันกุรอานนะเราสังเกตดูว่าตอนที่อิบนะบาสอยู่มาดินะเนี่ยนะครับท่านก็ช่วยงานาศาสนามากมายในเรื่องของอันกุรอานในการเผยแพร่าศาสนาของท่านอับดุลเบีสราะวะเลวะสลัมเนะี่ยพอนบี อว่าฟาดนะครับนบีถึงแก่กรรมอิบนออับบาสนี่เปิดโรงเรียนสอนตัปซีดอัลกุรอานที่นครมาดีนะเป็นเวลาหลายปี น, นะแล้วต่อมาท่านได้อ่กลับมานครมักกะก็มาเปิดสอน อ่าตัปซีอันกุรอานที่นครมักกะอีกเป็นเวลาหลายปีและและสุดท้ายช่วงชีวิตของท่านท่านก็ย้ายตัวเองไปที่ต่อเอฟนะครับและก็ไปเปิดโรงเรียนที่ต่อเอโรงเรียนสอนอันกุรอานสอนตัปซีดอันกุรอานที่ต่อเอฟจนกระทั่งท่านเสียชีวิตที่ต่อเอ นี่คือชีวิตของซอฮาบะคนสำคัญอิบนออับบาสนะครับซึ่งนักวิชาการทางด้านามูฟัดซีรีนทางด้านอธิบายอันกุรอานนี่ถ้าถ้าไม่อ้างคำอธิบายของอิบอิบอิบนุอับบาสเนี่ยดูจะดูจะเหมือนว่าอธิบายไม่สมบูรณ์อะไรทำนองนั้นนะครับนี่คือท่านครับ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอันกุรานมากในเรื่องของการอธิบายกุรานเอาและ ว, วันนี้เราพอทราบแล้วเรามาดูในในใ น, ในบทเรียนของเราบทเรียนของเรานี่นะ อ, อยู่ในที่ซูราะนะในบทในบทอัชชุรอราะนะอายะที่ร้อยหกสิถึงร เจเนะี่ยซึ่งเป็นเป็นบทอ่าเป็นบทที่อัลลอฮฺสุบัยนุวาตาลาได้กล่าวถึงอ่าท่านนาบีลูตอะไรวิสซาลมครั้งที่แล้วนี่กล่าวถึงนบีซอเลจําได้ไหมครับอ่าแต่ก็หยุดไปนานนะครท่านก็ไปทบทวนได้อ่าถ้ามีชีตนะครับตอนนี้มาต่อ ในซุรอยอดเดียวกันแหละต่อก็เป็นเรื่องราวของนบีลูตอะลัยฮิสลามนบีลูตได้กล่าวได้กล่าวกับกลุ่มชนของท่านน ะ, ะกาวหลายอย่างด้วยกันเราจะเข้าไปดูว่านบีลูตได้สอนกลุ่มชนของท่านว่าอย่างไรบ้าง น, นะ ล l l a h ว่าในอันกุรอานว่าอูดบิลละมินะชัยตอนิวาจีมอินนีละกุมรอซูลุนอามีนนะนะครับอายาที่ร6 2ยอินนีละกุมรอซูลุนอามีนแท้จริงฉันคือรอซูลนะเป็นศาสนาทูตผู้ซื่อสัตย์สำหรับพวกท่านทั้งหลายนะหมายความว่า น บ, บีลูตนี่บอกว่าฉันเป็นโรซุนที่นำศาสนาอิสลามมาเผยแพร่กับพวกท่านทั้งหลายนะครับฟัตตะกุลลอฮวาตีอูนดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงศรัทธาและยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะวาตีอูนและก็เชื่อฟังฉันนะให้ให้ศรัทธายำเกรงต่อลอสุบฮานอูวัตาลาที่จะกระทำความผิดแล้วก็ ให้ปฏิบัติตามตัวให้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านนะครับว่ามาอัสอลุกุมอะลฮิมินอัจริินและฉันไม่ได้ไม่ได้มาขอค่าตอบแทนในการเยผยแพร่นี้จากพวกท่านนะครับอินอัจริยาอิลลาอลารบบินอาลมีน ค่าตอบแทนของฉันนั้นไม่ได้มาจากผู้ใดนอกจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกหมายความว่ า, าการทํางานศาสนาการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนะอา่นานบีลุตบอกว่าไม่ใช่จะมาหาผลประโยชน์อะไรกับพวกท่านแต่ที่มาทําหน้าที่เนี่ยวังความโปรดปารานจากลอและก็หวังการตอบแทนจากลอสุบานอว์ตาลาเท่านั้นนะครับ เออแต่ถามว่าคนเหล่านั้นเชื่อไหมเราก็ได้คําตอบมาว่าไม่เชื่อนี่แหละครับกี่กี่ยุคกว่าจะถึงนบีลุตอะไรวิสณ์นั่นหลายยุคด้วยกันก็มีคําตอบคล้ายคึงกันเอาไปไล่ตั้งแต่นบีนุอะไรวิสณ์นั่นนบีซอและนบีฮูดที่มาก่อนๆนนะั่น ก่อนนบีลูตเนี่ยนะครับนาบีอิบรอฮิมก็เหมือนกันก็ได้รับคำตอบคล้ายคึงกันก็คือไม่เชื่อไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อนบีนะครับจะพูดในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่เชื่ออย่างเดียวจะทําอย่างที่เขาจะทํน่เป็นอย่างนั้นแล้วแต่พฤติกรรม ของนบีรูดเอกของกลุ่มชนของรูดเนี่ยมันมันหนักกว่าพฤติกรรมของคนในยุคก่อนๆยุคนบีนัวยุคนบีฮูดเยอลาบีซอแลตนะครับที่ปฏิเสธนั่นก็คืออตาตูนะยุกรอ น, ม, น, นอาามินันอาลมีนพวกท่านาเข้าหาผู้ชาย ในหมู่ผู้คนทั้งหลายการนั้นหรื อ, อ น, นหมายความว่าไงหมายความว่า น, นาบีรู้ดได้ตั้งเงื่อนไขกับพวกเขาว่าทำไมพวกเขาจึงสมสู่ผู้ชายอ่านะครับซึ่งมันผิดธรรมชาติที่อลัลลอ์ให้มาก็เขาไปมีอารมณ์ทางเพศกับผู้ชายด้วยกันแล้วก็ไป สมสู่ผู้ชายไปไปร่วมประเวณีกับผู้ชายนะครับซึ่งอันนี้ก็มันเป็นสิ่งที่ผิดผิดทั้งหลักการศาสนาแน่นอนแหละแล้วก็ผิดทั้งเรื่องของทางทางโลกด้วยมองแล้วก็ผิดนะครับมาอ้าวลูเชกว่าไมโครโฟนในนั่นไปด้อยไปเนี่ย นะแต่แต่เขาก็ได้รับคำตอบพวกคนเหล่านั้นก็ตอบตอบว่ า, าแล้วลุดก็บอกว่าว่าตาดารูนามาคอละก็ละกุมรกบภูกุมมินอัจวายีกุมพวกท่านาปล่อยทิ้งสิ่งที่พระเจ้าของพวกท่านบังเกิดมาสำหรับพวกท่าน นั่นคือภรรยาของพวกท่านก็หมายความว่าไม่ไม่สมสู่กับภรรยาไม่สมสู่กับผู้หญิงอ่าอ้าวจางแล้วอืมบัลอันตุมเก้ามุนอาดูนแน่นอนพวกท่านเป็นหมู่ชนผู้ฝ่าฝืนนะนะครับอ่ะลูดก็บอกว่าทําไมพวกท่านจึงอ่าไม่เอาไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับภรรยา เป็นผู้หญิงแต่ไปเอาผู้ชายทําไมพูดภาษาเราเป็นอย่างนั้นนะพวกท่านต้อเป็นกลุ่มชนที่ฝ่าฝืนฝ่าฝืนทั้งหลักการของาศาสนาและฝ่าฝืนทั้งประเพณีทั่วทั่วไปที่เป็นที่รู้ว่าผู้ชายาจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงถูกต้องไหมแต่ในปัจจุบันนี้นะครับท่านกับ ไอการไอการเบี่ยงเบนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยมันเป็นไปอย่างแพร่หลายนะวันเวลาเนี่ยตั้งแต่นบีลูดมาถึงเราเนี่ยถามว่ากี่พันปีหลายพันปีแล้วครับหลายพันปีนะไม่น่าจะน้อยกว่าสี่สี่พันสี่พันกว่าปีจะสเกือบห้าพันปีด้วยซ้ำ แต่ว่าไอพฤติกรรมเดิมๆเนี่ยมันยังตกทอดมาถึงในยุคเราทุกวันนี้เวลานี้บางประเทศนี่ออกกฎหมายให้ผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายได้แล้ว อ, อย่าว่าแต่วางบางบา ง, บาง ป, ร ป, ป, รประเทศเลยครับแม้แต่ไทยแลนด์ของเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็หมายความว่าให้ผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายได้อ่า อ่แต่งนี้ถือว่าไม่ได้เป็นคู่สมรสนะ่เนะี่ยะไม่ไม่เรียกว่าเป็นคู่สมรสเนะี่ยเรียกว่าเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะไม่ใช่คู่สมรสนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับท่านลองดูสิครับว่าเออเกือบจะทุกรายการอ่าไม่ว่าจะเป็นทางสือ่อใดก็แล้วแต่ จะมีคนพวกนี้ไปอยู่แจมอยู่ทุกเรื่องหะหมายความว่าพวกที่เขาเรียกว่ามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยครับจนกระทั่งมีการไปเปลี่ยนเพศก็มเีเป็นผู้ชายเดิมแล้วก็มาเป็นผู้หญิงไปเปลี่ยนเพศเป็นผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็ทำเพศหญิงกันเยอะไปหมดเลยไม่ไม่ใช่ที่ต่างประเทศอย่างเดียวประเทศไทยเราก็ทำได้แล้ว นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราพบเห็นถามว่าวันเวลาสมัยนบีลูตเนี่ยที่ได้รับการลงโทษแล้วก็มาแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าลงโทษยังไงนะครับได้รับการลงโทษมาแล้วเนี่ยกี่พันปีมาแล้วนะครับแทนที่จ ะ, ะมันหมดไปกลับไม่ได้หมดนะทุกวันนี้มีเพิ่มขึ้น อยู่เรื่อยๆในการเบี่ยงเบนทางเพศนั่นก็คือชอบผู้ชายกันเองจนกระทั่งว่าครองคู่กันเป็นกับผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายกันเองอะไรทํานองนั้นซึ่งตรงเนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดผิดทั้งหลักการและผิดทั้งหลักศีลธรรมนะครับอ่ะนี่ลูดก็บอกว่าทําไมล่ะ ทำไมพวกท่า น, นปล่อยสิ่งที่เอารอได้บังเกิดมาสําหรับพวกท่านนั่นคือภรรยาทำไมไม่อยู่กับภรรยาทำไมไม่สมสู่กับภรรยาแล้วก็ไปสมสู่กันเองไปเอาผู้ชายกันเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดพวกท่านนีเป็นหมู่ชนผู้ละเมิดฝ่าฝืนแล้วได้รับคำตอบว่าไงกันบ้อลูพวกเขาก็กล่าวว่า ละอิลลัมตันต์ไ ย, ยาลูดนะละตะกูนั้นนามินันมุครอยีนหากท่านไม่ไม่หยุดยั้งนะไม่เลิกที่จะมาประนามพวกเรานะครับแน่นอนท่านเป็นผู้หนึ่งจากบรรดาคนที่จะถูกขับไล่ออกไปจากเมืองนะนะครับพวก กุมชนของลูตก็บอกว่าถ้าลูตไม่มายังไม่เลิกมาบอกว่าไอ้ทําไมไปสมสู่กับูชายไปประนามการไปสมสู่กับูชายอะไรทํานองเนี้ยเขาจะจัดการกับลูดอ่าอย่างน้อยที่สุดก็จะไล่ลูดออกจากเมืองสะดุมเนี้ยนะนะครับไม่ให้ลูดมาอยู่ในเมืองสะดุนมีต่อไปนั่น ก็จะรวมกันแล้วก็ไล่ลุดและคนที่เชื่อลุดนี่ออกไปจากเมืองสะดุมเออนะครับกอลาอินนีลามาลิกุมมินันกอลีนเขากล่าวว่าลุดกล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นผู้ที่เกียรติชังยิ่งต่อการกะระทาของพวกท่านเนีน่ย ที่พวกท่านได้ทำมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยฉันเกียดมากนะเออแล้วรบีนัตจีนีวะอาลีมิมมายะมาลูนข้าแต่พระเจ้าของฉันขอพระองค์ทรงช่วยเหลือฉันและก็พวกพ้องบริวารของฉันให้พ้นจากการกระทำพ้นจากที่พวกเขาได้กระทำด้วยเถิด นะครับก็ข อ, ขอความคุ้มครองต่ออัลลอ์ให้พ้นจากพฤติกรรมอของกลุ่มชนของเขาเนี่นะครับที่เบี่ยงเบนทางเพศนี้นะแล้วอัลลอ์ก็ได้ช่วยเขานะอัลลอ์ก็ได้ช่วยนบีลุตโดยมีผ้ากระแสรับสั่งกับลุตว่าให้ลุตเนี่ย ออกจากเมืองสะดุมนะแล้วก็คนที่ศรัทธาต่อรุษนี่ออกไปจากเมืองเลยพอออกไปแล้วก็ไม่ต้องหันหลังมาดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับอ่ะน บ, บีรุษก็ทำตามพอออกไปจากเมืองสะดุมแล้ว เอาเม่อมีบัญชาไอ้มลายกาในยยกเมืองสะดุมเหนือฟ้าแล้วก็ปล่อยทิ้งลงมาทั้งเมืองนี่น่หมดไม่มีใครตายราบคาบไปหมดน่รอดพ้นก็คือนบีลูตและก็กลุ่มชนของลูตเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วก็ตายหมดใน ในเมืองสะดุมนั่นแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับวันเวลาผ่านไปหลายพันปีอย่างที่บอกเนี่ยเมืองสะดุมที่เคยเจริญรุ่งเรืองมีคนเยอะนะครับตอนนี้เมืองสะดุมนั้นกลายเป็นทะเลก็เรียกว่าทะเลสาบเดซีนะทะเลสาบเดซี ท, ท, ที่ที่เรา เอ่อคนหลายคนชอบไปเที่ยวชมกันนี่ยแหละครับนะเดิมทีเดียวนั่นคือเมืองสะดุมนะนะตอนนี้เป็นทะเลไปแล้วเพราะว่าโดนอเลอทาลายนะครับอ่ะจะไปดูถ้าจะไปไปดูก็ไปดูได้ทางทางฝั่งอิสราเอลก็ได้แล้วก็ทางฝั่งจอร์แดนก็ได้ดูได้ทั้งสองฝั่งนะทั้งหมดเนี้ย เคยเป็นเมืองแต่กลายเป็นทะเลสาบไปเลยด้วยการทำลายล้างกล่าวลอสุภาณัวตาลาอันเนื่องจากคนเหล่านี้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ท, ทางเพศดังที่ได้บอกไปแล้วในเบื้องตน้นนะครับนี่คือคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธนบี น่ะไม่มีใครที่จะรอดพ้นน่ะแต่คนที่จะได้รับความช่วยเหลือทั้งดุจยาและกัอาเคโรคือคนที่ศรัทธามั่นต่อละยำเกรงต่ออละปฏิบัติตามนาบีปฏิบัติตามคําสอนของท่านนาบีส โ, โลโล ล, ล้อวะไรวะสลามถ้าเป็นในยุคเราถ้าเป็นในยุคน้นก็เอาปฏิบัติตามคําสอนของ น, บ, น, น, น, น, น, นบีนั้นๆเช่นนบีนัว เจนนบีซอและเจนนบีฮูดเจนนบีอิบรอฮิมอะไรฮิสาร า, ามนะครับนะนี่คือสิ่งที่คนเหล่านั้นได้ถูกทำลายไปแล้วนะมันจะเป็นบทเรียนได้สำหรับคนรุ่นหลังพอไปอ่านอันกุรอานแล้วก็เราก็โอ้ยมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์กล่าวไว้ทุกยุคนะี่และก็ไม่มีใครรอดสักยุคหนึ่ง จะรอดก็คือคนที่ศรัทธามั่นต่อละซุบะตาลาและปฏิบัติตามนาบีเท่านั้นที่รอดและก็ปลอดภัยนะนบีอิบรอฮีมก็เหมือนกันนะท่านนาบีอิบรอฮิมเนี่ยเป็นท่านนาบีที่บดบัญญัติหลายสิ่งหลายอย่างในยุค ข, ของนบีอิบรอฮีมเนี่ยตกทอดมาถึงในยุค ข, ของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวะเลยุะวะสัลลัม ท่านลองนึกดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างะที่ตกทอดมาตั้งแต่ในยุค ข, ของท่านานาบีอิบราฮิมละอิสลามเชื้อดุรุบาลหนึ่งและใช่ไหมถ้าเราไปอ่านประวัติแล้วเราก็จะพบว่าเชือดกุรุบาลก็เกิดขึ้นในยุค ข, ของท่านนาบีอิบราฮิมกับลูกชายนะ Allah, อัลลอฮ์อัลลอฮ์ เข้าฝันอลัลลอฮฺฝันให้น บ, บีบรออิมฝันว่าเอาลูกชายไปเชื่อนะเนาะเราจะทดสอบหัวใจว่าลุตอ่านบีอบบิบรออิมจะทําได้ไหมใช่ไหมเสร็จแล้วน บ, บีบรออิมก็ทําได้เนี yeah. มีคําสั่งให้เอาลูกไปเชื่อเนี่ยทำได้แม่ <c oughs> <c oughs> เราเรานะคำสั่งไม่ต้องแรงยังไงเราสั่งให้ละมาซุโบนั่นแหละ ว่าต้องสั่งว่าเอาลูกไปเชื่อ์เขแต่สั่งให้ละหมาดซุปอี้แล้วนัว่นแหละบางทีก็อ่อนอ่ินอ่อนทำไม่ค่อยได้แ ต, แต่ว่านบีบรออีบโอ้ได้รับคำสั่งมัดทำทันทีเดยเห็นนะปฏิบัติตามทันทีแล้วก็ลูกชายวัยบสองปีบางรายงานว่าต่ำกว่านั้นนะก็คืออิสมาอิน ต่อมาเป็นนบีเรียกว่านาบีอิสมาอินออแล้วก็พอฝันแล้วใช่ไหมฝันก็ไปปรึกษาลูกชายถามลูกว่าลูกพ่อนะฝันว่าพ่อนะเชื่อเจ้านะออแล้วเจ้าจะมีความเห็นอย่างไรออลูกชายก็บอกว่าพ่อจ๋า พ่อทำตามที่พ่อได้รับคำสั่งมาเจอแล้วพ่อจะเห็นว่าฉันเป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้อดทนแล้วทั้งสองก็ตัดสินใจจะเชื่ออิสมาอินก็เต็มใจอิบรอฮิมก็จะเชื่อลูกชายนะเสร็จแล้วก็ไปพาลูกไปที่ตำบลมีนาใช่ไหม เพื่อที่จะทำการเชื่ อ, อเสร็จแล้วชัยตอนมันมาหลอกอย่างที่เราทราบกันชัยตอนมาหลอกก็นบีบรอยฮิมก็จับหินก็คว้างไปที่ชัยตอนแน่ชัยตอนมาหลอกว่าอิบรอยฮิมแกเน่เป็นคนงโง่มีมนุษย์ไหนในโลกนีว้างเขาจะเอาลูกไปเชื่อแต่ไม่มีหรอกมีแกเงงท่าั้โงท่งทาตามอะไรทำ ฝันเพเจอเอะไรต้ององนั่นนะครับอิบรออิมก็อามีเอาจับหินได้ก็คว้างไปที่นั่นที่มีนานนจนกระทั่งถึงจุดมุ่งหมายที่จะไปเชื่อคว้างใช้ตอนสามหลและก็กลายเป็นคว้างรักเสาหินสามต้นที่ตาบลมีนาที่เราไปทำพิธีกันนี่แหละเห็นนะนี่คือเรื่องราว ที่เกิดขึ้นในยุค ข, ของนบีิบรอฮิมลราอิสลาม 5,000 ันปีก่อนนวลนะเมื่อ 5,000 ันปีก่อนนวลมาเป็นบทบัญญัติในยุค ข, ของเร า, านะครับหลายเรื่องด้วยกันเรื่องทํากุรุบนันเรื่องขว้างเสาหินที่มีนาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอะไรทราบไหมเรื่องเดินใสแอ ระหว่างภูงเขาซอฟามารวะก็เกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านนบีอิบรอฮิมเช่นเดียวกันนี่เรื่องดีๆงามๆนะเดี๋ยวเรื่องไม่ดีจะเล่าต่อหลังจะเล่าเรื่องดีก่อนเห็นไหมเอออัลลอฮ์ Allah มีคำสั่งอัลลอฮ์มีคำสั่งให้เอาภรรยาและก็ลูกไปปล่อยที่มกกะ นะ่ถามว่านบีอิบราฮิมทำมั้ยทำตามไหมทำครับทั้งทั้งที่ไม่ยังไม่รู้เลยว่าไปเมืองมักกานี่จะมีอะไรเกิดขึ้นนะ่ยยังไม่รู้เลยนะครับเมื่ออัลลอ์มีบัญชามาทำตามเนะ่เอาลูกเอาลูกชายเบะเบา อ, อยู่อ่าเห็นไหมแล้วก็ภรรยานางฮายัต ซึ่งเป็นภรรยาไปปล่อยที่มักกะจากเมืองปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี่นะครับบางคนเรียกปาเลสตีนกันแล้วแต่ปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้จากเมืองนี้ไปมักก ะ, ะหลายหลายหลายร้อยกิโลก่าจะไปถึงเอาภรรยาไปปล่อยอเราเรียกว่าเอาไปปล่อยเพราะว่าไม่มีอะไรเลยนะครับพอไปถึง พอไปถึงเมืองมกักกะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้แต่ต้นไม้สักหนึ่งต้นตพอถึงจุดมุ่งหมายแล้วอ่ายิบรีนก็บอกกับบอกกับยิบรอยยมว่าให้เอาภรรยาของท่านและกับลูกของท่า น, น่ะปล่อยตรงนี้ปล่อยตรงนี้แหละนะแล้วก็ท่านก็เดินทางกลับปาเลสไต์ แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงไงทั้งสิ้นกลับเลยนะครับนั่นเสร็จแล้วอิบรอฮิมทําตามครับนบีอิบรอฮิมก็ทําตามว่าเอาลูกและเมียปล่อยทิ้งไว้ที่นั่นพอจะหันหลังกลับภรรยาซึ่งเป็นภรรยาสุดที่รักก็คือนางฮายาตก็ถามสามีว่าเธอจะเอาฉัน และลูกมาปล่อยในสภาพเช่นนี้การ น, นั้นหรืออิบรอฮิมก็ไม่พูดครับจะจะหันหน้าเดินกลับนะครับนางก็ดึงแขนสามีเอาไว้แล้วก็พูดอีกคำหนึ่งกับสามีว่าหรือว่าอัลลอฮ์มีบัญชามาให้ให้ให้ท่านเอาชั้น และลูกมาปล่อยในสภาพเช่นนี้นะอิบรอฮิมก็กล่าวกับเมียรักว่าใช่แล้วถูกแล้วอัลลอฮ์มีบัญชาให้ฉันเอาเธอและลูกมาปล่อยในสภาพเช่นนี้นะครับอพอเป็นอย่างนั้นานางหายาดด้วยความศรัทธามั่นต่อละก็บอกกับสามีว่าถ้าอย่างนั้นท่านท่านกลับไปเถิด ฉันหวังว่าอัลลอจะไม่ทอดทิ้งฉันและกระดูนะแล้วนบีบรอยฮิมก็จากเมืองมักกาไปซึ่งตอนนั้นไม่มีอะไรเลยอย่างที่เล่านะครับมอบเอาไว้ให้เพียงน้ำหนึ่งน้ำนิดหน่อยแล้วก็ อ, อินทพาลำเล็กน้อยนะครับพอน้ำหมด อินทร์วลาไม่มีหมดนางก็ไม่มีน้ำนมที่จะจะให้ลูกดื่มให้ลูกกินนะครับนางก็วิ่งหาน้ำนะวิ่งระหว่างซอฟาไปที่มารวะระหว่างซอฟามารวะานี่ก็ประมาณหลายหลายร้อยเมตรเหมือนกันใช่ไหม คนที่ไปเดินแซ่แอแล้วจะรู้ว่าความไกลขนาดนั้นแหละครับวิ่งหาน้ำระหว่างซอฟามารวัวนะพอไปถึงมารว่วก็ไม่มีน้ำย้อนกลับมาดูลูกก็ไม่มีอะไรก็มีเสียงเสียงคล้ายๆเสียงแแววมาว่าที่นี่มีน้ำที่นี่มีน้ำ มาหมยความว่านางมาเริ่มจากโซฟ้าใหม่แล้วก็ไปที่ปลายทางอะ่ะมาร์วะก็บอกว่าที่นี่มีน้ำที่นี่มีน้ำน้าก็วิ่งไปที่มาร์วาอีกภูเขามาร์วาเป็นเนินเขา เ, เล็กๆนะนะคิดว่าจะมีน้ำแต่ก็ปรากฏว่าน้ำไม่มีหมดกำลังใจที่จะวิ่งหาน้ำแล้วเรงเย่แยวแรงก็หมดนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาดูลูก ลูกนี่เอาผ้าถึงไว้นิดหน่อยกับต้นกระถินนามแล้วก็เอาผ้าถึงไว้ใต้ต้นกระถินนามแล้วเอาอิสมาอิลเอาไวใ้ใต้ใต้ใต้ผ้านั่นกันแดดนิดหน่อยแต่นางก็วิ่งหาน้ำก็ไม่มีน้าพอวิ่งมามาดูลูกอีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่าลูกร้องอิสมาอาินร้องแล้วก็ถีบเท้าก็ถีบไปดินนกๆดินน่ะ ที่ไปดิ้นไปดิ้นไปดิ้นไปปรากฏว่าอัลลอฮ์ให้น้ําพุ่งขึ้นมาจากรอยเท้าที่อิสมาอีนทีมเห็นนะนางด้วยความดีใจพอเห็นน้ําพุ่งขึ้นมาด้วยความดีใจก็กล่าวว่าจำจำจำจำจำจำแปลว่าป้องเอาไว้ป้องเอาไว้ป้องเอาไว้นี่เป็นที่มาของบ่อน้ํำจำจำ นี่เป็นที่มาของบ่อน้ํำจาๆนะครับท่านเห็นไหมแล้วเสร็จแล้วก็โอดีใจมากนางดีใจมากบ่อมันค่อยๆขยายขึ้นเรื่อยๆขยายกว้างขึ้นแล้วก็มีน้ําเยอะขึ้นมีน้ําพุ่งขึ้นมาเยอะขึ้นอะไรขึ้นโอ้ยทีนี้สบายแล้วทำดีแล้วพอมีน้ํานี่ชีวิตอยู่ได้แหละนี่คือเอาเราให้เป็นมุ่งอธิษานเป็นปาฏิหาริย์ที่เอาเราให้ กับนางหายัตและลูกน้อยอิสมาอินจากวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้คือบ่อน้ําดำๆที่เรากินกันทั่วโลกคนไปมากล้าก็เอาน้ํำดาๆกลับมากันเกือบทุกคนและก็ไม่มีวันหมดยันถึงอลัลลอฮ์สัญญาวันถึงยันถึงวันกิยามาอาลัลลอฮ์จะไม่ให้น้ําในบ่อน้ํำดาๆนี้แห้งอัลลอฮฺอักบัร นี่คือครับนี่คือเรื่องดีๆงามๆที่มันเกิดขึ้นในยุค ข, ของท่านนาบีอิบรอฮิมะไลฮิสสลลมแล้วก็ครอบครัวของท่านนะครับอาก็เป็นที่มาของบ่อน้ำจำจำเป็นที่มาของการเดินแะแอระหว่างซอฟามัรวะอ่าในการประกอบพิธีฮัจีในยุค ข, ของท่านอบีมุฮัมมัดสลลัลวะลยวะซัลลัมนี้เห็นหเอหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความดีงาม แล้วก็กลายเป็นบทบัญญัตินะอะ่รวมถึงควบรวมถึงที่มาของใบตุลอด้วยที่มาของใบตุลอด้วยนะถามว่าใบาตุลอนี่มีการมีการสร้างมาหลายยุคแหละตั้งแต่สมัยไม่ใช่มนุษย์สร้างก็คือมาลายกาสร้างนะ แล้วก็มามาสมัยรองลงมาก็ลูกลูกของนบีอาดัมลูกหลานนบีอาดัมแล้วก็มาก็มาเป็นยุคของท่านนบีอิบรอฮิมละอิสลามเห็นนะยุคของนบีอิบรอฮิมนี่ถูกกล่าวเล่าไว้ในอันกุรานนะอัลลอ์มีบัญชาให้อิบรอฮิมสร้างวิหารอันกล้าบ้าขึ้นมาเดี๋ยวใบตุลลอเ น, ะนี่นี่นะครับ บอกให้ทําตามที่อัลลอฮ์บอกให้ ท, ทลลําทและอิบราฮิมก็ทําตามนั้นนะครับทําตามนั้นก็สร้างใบตุลนล้อนะครับทํากันกี่คนสองคนครับท่านกับลูกชายก็คือท่านอิสมาอินอะลัยฮิสซาลามนะครับจนกระทั่งเป็นที่มาของมะกรออิบราฮิม อ่ารู้จักมาก่อนมอิบราฮิมหมม า, มากมาก่อมุอิบรอฮิมแปลว่าที่ยืนของอิบรอฮิมนบีอิบราฮิมเนี่ยเอาหินนั่นะน่ะนะรองเท้าแล้วก็ยืนตรงนั้นในการก่อก่อสร้างกาบ้านนะครับและต่อมาอัลลอฮ์ก็ให้เป็นสัญลักษณ์อ่าคือมาก่อมอิบราฮิม แล้วก็ต่อมาพอในยุค ข, ของท่านนาบีมุลฮะมมัดเราก็มีสุนนะให้ละหมาดข้างหลังมะกรออิบรออีมเห็นนะมะกรออิบรออีมนี่จะห่างจากกาบาไม่มากเท่าไหร่นะเดิมทีเดียวนี่จะชิดกับกาบาเลยชิดกับใบตุลนรอดเลยแล้วก็ต่อมาในยุคต่อมานี่ถูกย้ายมาเล็กน้อยอ่าให้ไกลให้ไกลกว่า ไกลกว่าบไปตุวล้อเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ไปขวางทางต่อวับอย่างที่เราเห็นใครไปมะ ก, กาก็จะเห็นมะกกอมิบรอฮินะฟัดวั ต, ตกีดูมิมมากอมิอิบรอฮีมะมูซอลลาในคุรานบอกให้พวกท่านทั้งหลายจงเอาที่ยืนของอิบรอฮิมน่ะเป็นที่ละหมาดเป็นมูซอลลาเป็นที่ละหมาด ม า, มามาถึงละหมาดซุนนาอะไรนี่ละหมาดซุนนาหลังปาวาฟนี่ให้ละหมาดหลังมะกรออิบรอฮีมนี่ทั้งหลายทั้งพวงนี้ก็ที่มาก็คือท่านนาบีอิบรอฮีมและก็ครอบครัวของท่านน ะ, ะนั่นคือใบตุลลอหรือกาบะถูกสร้างในยุคที่สมยุคที่4ในสมัยท่านนาบี อ, อิบรอฮีมอะไรวิสซาลัม แล้วก็จนกระทั่งในยุคเราถึงทุกวันนี้นะครับอ่าเห็นนะเนี่คือร่องรอยแล้วก็พอมายุคของท่านอบี์มูฮัมมัดเป็นไงถือว่าการต่อวาใบตุลโการเดินเวียนรอบกะบา้าหรือใบตุลอนั้นถือเป็นรูกลนของการประกอบพิธีฮัจญ์หมายความว่า ใครที่เดินทางไปทำพะธีแล้วไม่ได้ต่อวา้าปีฟาดอไม่ได้ต่อวา้าพิธีพะยีใช้ไม่ได้ <Yeah. S 1> นั่นที่มาของมันอย่างที่ได้บอกไปแล้วในเบื้องตน้นเอลเนาะนี่คือหลายเรื่องด้วยกันนับแล้วสี่ห้าเรื่องส5ห้าเรื่องที่นับได้นะที่เกิดขึ้นในยุคเมื่อห0 0พันปีที่ผ่านมา คือยุคของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสサラแล้วก็มาเป็นบทบัญญตัติให้ในยุคของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลอะลัยวะซัลลัมได้ปฏิบัตินั่นก็คือพิธีกรรมหัจญีนะครับพิธีกรรมหัจญีพิธีกรรมเชืออกุรุบันการคว้างเสาหินการเดินสแสแอระหว่างซอฟามารวาการต่อวับใบจุลล้อการดื่มน้ําสุนนะให้มีการดื่มน้นําซําดำดำหลังต่อวัปนะครับ แล้วก็ละหมาดทั้งหลังมะกรออิบรอฮีมหลังจากการต่อ ว, วาาอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเล่าให้ฟังนะเป็นที่มาของบทบัญญัติศาสนาด้วยนะมีเวลาอีกไหมมีเวลายิกหน่อยไหมอ่ะนะยังอ่สี่สบห้าสิบโมงสบห้าทีนี้เรื่องไม่ดีอ่นะตะกี้บอกว่า ที่เรื่องดีที่เกิดขึ้นกับในในครอบครัวของอิบราฮิมในยุคของท่านนับีบรอฮมทีนี้เรื่องไม่ดีนะเรื่องไม่ดีนี่ก็คือท่านนับีุบรอฮิมหลังจากท่านเป็นนับีบแล้วนี่ท่านกระรวนกระรงะประชาชนให้นับถืออัลลอเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวกราบไหว้ เอาลอุภานวตาลาแต่เพียงผู้เดียวไม่ให้ไปกราบไหว้รูปจเจวิตไม่ให้ไปกราบไหว้จเจวตอ่าไม่ให้ไปไปกราบไหว้พวกผีปีศาจอะไรตำนอง น, น, นั้นนะครับเอนแต่ถามว่าได้ผลไหมครับไม่ได้ผลนะไม่ได้ผลนี่แม้แต่ใครครับแม้แต่คุณพ่อของท่านเน่อ่า ท่านนบียิบรอยีนี่ไม่ได้แม้แต่คุณพ่อเนี่ยพ่อก็ไม่ได้พ่อก็ไม่เชื่อ <c oughs> แม่มันมันมันก็เป็นเป็นไอ้นั่นเหมือนกันนะในด้านจิตใจแล้วมันก็แย่เหมือนกันเพราะว่าทํางานศาสนาเผยแผ่ศาสนาสอนให้คนนี่กราบไหวอ้อัลลอฮ์องเดียวแต่คนไม่เชื่อคนที่ไม่เชื่อสาคัญก็คือพ่อยังไม่เชื่อแล้วก็โอ้โหจะเครียดแค่ไหน นาะยคนอื่นมันยังไกลแต่ที่คุณพ่อก็ไม่เชื่อเน่แล้วเสร็จแล้วก็เป็นปฏิบัติ์นะเป็นปฏิบัติ์กับคนหมดเลยอันเนื่องจากว่าการที่ท่านนบีบรอฮิมเอาอิสลามมาเผยแพร่เพราะอิสลามมีคําสอนในการไหว้เอาลอสุบะานุวาตาลาแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับอัลลอฮ์แต่ในยุคนั้นก็ยังกราบไหว้ พวกผีปีศาจกันอยู่ไปมีรูปกล่าวว่ า, จาเจวิกันอยู่นี่เป็นอย่างนั้นนะเสร็จแล้วพอพอหนักหนักเข้าไอาการต่อต้านอิบรอยฮิมหนั ก, ห น, กหนักเข้าใช่ไหมผู้คนเขาก็ลงมติว่าให้เอาอิบรอยฮิมนไปฆ่าใชอปล่อยไม่ได้แล้วถ้าถ้าขืนปล่อยนี่อิบรอยฮิมมาประนาม มาประนามความเชื่อของพวกเขาเขาทนไม่ได้ทนไม่ได้ที่ใจได้ยินทนไม่ได้ที่จะเห็นอิบรอฮิมประนามความเชื่อของพวกเขาว่าไม่ถูกแล้วก็ไม่ไม่ยอมรับในการเป็นพระเจ้าองค์เดียวของอัลลอฮฺสุบานุวาตาล่นลงมติว่าให้อิบราฮิมเอาอิบรอฮิมไปฆ่าทีนี้ฆาวิธีไหนและครับ ข้าวิธีให้มันโหดร้ายที่สุดให้มันให้โหดร้ายที่สุดให้สาสมกับการที่อิบราฮิมมาประนามความเชื่อของพวกเรานั่นคือเอาอิบรอฮิมโยนลงไปในกองไฟอลัลลอฮ์สูงกองสูงไฟขนาดใหญ่แล้วก็เอาอิบรอฮิมมัดมือมัดเท้าแล้วก็โยนลงไปในกองไฟนี่ เป็นเรื่องที่เ็ลวร้ายมากในยุคนั้นนะแล้วเสร็จแล้วเป็นไงโดนอับเอลย์บรอฮิมถูกจับตัวมัดมือมัดเท้าแล้วก็ถูกโยนลงไปในกองไฟแล้วบรรดาผู้ที่สังหารจัดการก็กลับเพราะว่าแน่นอนล้านเปอร์เซ์ว่าอิบรอฮิมต้องตายในกองไฟแน่นอนแต่ก็ปรากฏว่าอัลลอ์ช่วยเห็นไห Allah ช่วย Allah ช่วยไม่ให้ไฟนะไม่ไม่อิบรอฮิม Allah กาวบีพระกระแสรับสั่งกับไฟว่ากุนญานาลุกูนีบัรดันวาสลามันอลาอิบรอฮิมเนี่ยนี่มีมีก่าวในกุรานเราได้มีพระกระแสรับสั่งว่าโอ้ oh, ไฟเอ๋ยเจ้าจงให้ความเย็นและให้ความปลอดภัยแก่อิบราฮิมแค่นั้น แล้วพอพวกเหล่านั้นกลับไปแล้วท่านนาบีบอกอกว่าเดินออกมาจากกองไฟแล้วก็ไปหาพวกเขาพวกเขาก็งงกันหมดเลยออกก็กะว่าตายอยู่ในกองไฟแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ตายเอาล่ อ, ลอช่วยในซอเฮียบุคอดีเล่าว่าไอ้เชือกเชือกที่มัดมือมัดเท้าอ่ะดะ เชื่อที่มัดมือมัดเท้าเนี่ยไม่ครับไฟไม่เชื่อเออไฟไม่เชื่อที่มัดมือมัดเท้าเนี่ยแต่ว่าตัวไม่เป็นไดเห็นไหมนี่อัลลอฮ์ช่วยอัลลอฮ์นี่แหละชีวิตการต่อสู้เผยแพร่ศาสนาอิสลามจนกระทั่งถึงเราทุกวันนี้นะ่บรรดาผู้ที่เผยแพร่นั้น คือท่านนาบีบรรดานาบีเนี่ยเขาได้รนรงแล้วก็เสียสละแล้วก็อดทนอย่างยิ่งใหญ่มากนะครับจนกระทั่งอิสลามมาถึงตกทอดมาถึงเราทุกวันนี้นะอพอมาถึงเราอัลฮัมดนะุลิลละในยุค ข, ของท่านนาบีมุฮัมมัดเร า, เาก็ใช้เวลาจะน้อยกว่าในยุคต้นๆ น, น, นะครับ อย่างในยุคนบีนัวนบีนัวประกาศส า, ศ า, ศ า, ศาศนาหนกี่ปีครับ950ปีอัลลอฮ์950ปีเนี่ยได้คนกี่คนครับนรายงานจากอิบนะอับบาสบอกว่าคนที่เหลืออยู่ในเรือ น, นบีนัวน่ะ80คน ตกลงว่า950ปีของนบีนั่น่ะได้คนศรัทธาเพียง80คนที่รอดพ้นในที่จากการจมน้ำตายในสมัยนบีนั่แค่นั้นแหละเห็นบ่ะแล้วก็ถามว่าถามจริงๆว่าทำงานขนาดนั้นเนี่ยคนไม่เชื่อเนี่ยมีเป็นจานวนมากมายได้คนศรัทธา850คนแค่นั้นแต่นุ่นทไม่ทํากับทางานตลอดชีวิต นะครับใครเชื่อไม่เชื่อกว่าแล้วแต่หน้าที่ของฉันต้องบอกต้องพูดต้องสอนนะถ้าเป็นเรานะ่โดนเขาไป3มปีเท่านั้นแหละไม่ต้องไปสามเ้าอห้าสิบปีหรอกถ้าไม่เชื่อเลิกแล้วไปทำงานอื่นแต่นี่ไม่คนระับนี่คือนบีนะเราลองไปศึกษาประวัตินบีของแต่ละท่านในการทำงานศาสนาดีครับมันจะได้เป็นกำลังใจ เป็นกำลังใจให้กับเราว่าในการทำงานศาสนานะเราเรามีหน้าที่ทำงานศาสนาเราก็จะได้ทำงานศาสนาเรามีหน้าที่รับการสอนรับนอะไรเราก็จะมีกำลังใจในการรับการสอนนะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของเราเนะครับเพราะว่านบีเหล่านั้นเขาเสียสละเขาอดทนทุกอย่างบางครั้งต้องเลือดต้องต้องแลกมาด้วยเลือดและน้าตา ที่จะให้อิสลามตกทอดมาถึงเราทุกวันนี้นีและเราจะไปปล่อยปละละเลยไม่ได้จะให้บัญญัติของอัลลอฮ์เป็นหมืนไม่ได้เนีไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์บัญญัติมาอย่างท่านนาบีมุฮัมมัดสุลเลาะห์เวเลวะซัลลัมแล้ถูกปฏิบัติมาแล้วในยุค ข, ของท่านจนกระทั่งถึงเราเราจะให้เป็นหมืนไม่ได้เราจะต้องยืนหยัด ต้องทำต่อไปนะครับอัลลอฮ์กล่าวในอันกูรานว่าอินนัลลดีนากอลูรับบุนัลลอซุมมาสตะกอมูเคยอ่านไหมครับอินนัลลดีนากอรูรับบุนัลลอแท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์เขากล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้า แล้วต่อจากนั้นเขาก็ยืนหยัดในหนทางของอัลลอฮ์อย่างมั่นคงนะแต่แตนัสรูอะเลฮิมุนมาลาิกะคนเหล่านี้พอเขาใกล้จะตายอะนะมาลายิกะจะลงมาปลอบใจเขามาปลอบใจคนที่กล่าวว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์และก็ยืนหยัดในหนทางของอัลลอฮ์อย่างมั่นคงเนี่ยนะครับ กะว่าอัลลาตคอฟูวะลาตหฮานูพวกท่านไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียใจไม่ต้องกลัวที่จะตายและไม่ต้องเสียใจที่จะต้องจากโลกดุนยาบัดวะอับชิรูบินจันนติละตีกุลตุมตัวดูพวกท่านจะได้รับแจ้งข่าวดีถึงสวรรค์ที่พวกท่านทั้งหลายได้ถูกสัญญาไว้นี่นี่คือ คนดีมี إ ي م านแล้วยืนหยัดกับทางานในหนทางของอัลลอฮ์ทำหน้าที่ในหนทางของอัลลอฮ์อย่างมั่นคงพอเขากล้าจะตายมาลายกล้าจะมาบอกเขาว่ามาแจ้งให้เขาทราบว่าเขาจะได้สวรรค์ในวัตกิยามะอัลลอฮ์เพราะงั้นเราอย่าหมดกําลังใจทํางานต่อไปทําหน้าที่ของเราต่อไป จนกว่าวินาทีสุดท้ายที่อัลลอฮ์เอาเรากลับไปเรามีหน้าที่ทํางานศาสนาแล้วก็ทําไปเรามีหน้าที่ทําอิบาร์ด้าต่อต่อทำหน้าที่ของเราเราก็ทําไปก็ อ, อินชาอัลลอฮ์เราจะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์สุบฮานาววาตาลาพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์จะเมตตาเราในดุนยานะอัลลอฮ์จะเมตตาเราในอาเกโรเมตตาในดุนยาก็ให้เราอยู่ในดุนยา อย่างสุขสบายตามสภาพอพอสมควรและเมตตาในอาคีระเราจะได้เข้าสวรรค์ของลอสุภานวตาลาพระผู้เป็นเจา้าขออัลลอฮพระผู้เป็นเจา้าได้ทรงโปรดประทานสิ่งนั้นให้กับพวกเราทุกคนสำหรับวันนี้เอาเทนี้ก่อนนะครับบิลไลาตาฟิกวันฮิดายะวั ส, สลามุลัยลุมวะรอมาตุลลอฮิวะบรอกาตุ